วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2563เป็นอนที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัดกันเพื่อมาเติมพลังให้กับจิตใจเพื่อที่จะได้ พัฒนาจิตใจบำรงสุขบำบัดทุกข์ให้แก่จิตใจตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวง สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือการทำให้จิตใจอยู่อย่างปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนอันตการ การที่จิตใจของพวกเราจะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันหรือพลังที่จะสนับสนุนการปฏิบัติจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ รถยนต์จะวิ่งไปไหนมาไหนได้รถยนต์ก็ต้องมีน้ำมันต้องคอยเติมน้ำมันและไม่ใช่เพียงแต่น้ำมันรถอย่างเดียวนอกจากน้ำมันรถแล้วยังต้องมีน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเบรกมีน้ำมันคลัตช์มีน้ำสำหรับ ระบายความร้อนให้กับรถยนต์มีน้ำใส่แบตเตอรี่ถ้าขาดน้ำมันหรือน้าเหล่านี้แล้วรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าแบตเตอรี่เสียก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้แบตเตอรี่เสียเพราะไม่เติมน้ำ ถ้ารถไม่เติมน้าไว้ระบายความร้อนเดี๋ยววิ่งไปไม่นานรถก็ต้องหยุดเราจึงต้องเข้าสถานีบริการเพื่อเติมน้ามันต่างๆให้กับรถยนต์ฉันใดจิตใจของพวกเราก็ต้องเข้าสถานีบริการของจิตใจ สถานีบริการของจิตใจคืออะไรก็คือวัดวารามต่างๆนี่เองที่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมต้องไปวัดที่มีการศึกษาและมีการปฏิบัติธรรมถึงจะมีน้ำมันที่จะเติมให้พลังแก่จิตใจของพวกเรา หน้าไปวัดที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติทําก็เหมือนกับไปสถานีบริการที่ไม่มีน้ํามันขายน้ํามันหมดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรดังการมาวัดนี้มาเพื่อมาเติมพลังให้กับจิตใจเติมน้ํามันให้กับจิตใจ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันที่จำเป็นที่จะต้องเติมที่จะทำให้จิตใจนี้มีพลังที่จะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้น้ำมันของจิตใจที่เราควรจะคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็มีอยู่ห้าชนิดด้วยกัน ชนิดแรกเรียกว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่สองเรียกว่าวิริยะคือความกยันหมั่นเพียรความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าน้ำมันชนิดที่สามคือสติการระลึกรู้อยู่ ในปัจจุบันระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆข้อที่สีน้ำมันข้อที่สี่ก็คือสมาธิ ค, ความตั้งมั่นอยู่ในความสงบของจิตใจเพราะความสงบของจิตใจนี้คือพลังของจิตใจที่จะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนคือการกาจัด ความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้และน้ำมันชนิดที่สี่ก็คือปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่จะเป็นความรู้ที่จะมาทำลายความหลงที่หลอบให้จิตใจนี่หลงติดอยู่กับกองทุกข์พอมองไม่เห็น กองทุกข์ว่าเป็นทุกข์เพราะขาดปัญญาถูกความหลงหลอกให้เห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุขไปก็เลยต้องเจอแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่คือน้ำมันชนิดต่างๆที่พวกเราชาวพุทธผู้ปรารถนาลดแห่งธรรม คือรถของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องหมันคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่ได้เติมแล้วจิตใจของพวกเราก็จะไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติการละการกระทำบาปการสร้างบุญสร้างกุศล และการทำลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จำเป็นจะต้องมีพลังที่เกิดจากการเติมน้ำมันของจิตใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมาเติมกันสักหนึ่งครั้งเหมือนกับรถยนต์ที่เราขับนี่บางทีอาจจะต้องจอดทุกวันก็ได้สำหรับบางท่าน ต้องเข้าปัม๊มเข้าสถานีบริการเติมน้ํามันทุกวันถ้าใช้รถยนต์มากถ้าวิ่งไปไหนมาไหนมากก็ต้องเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆเพราะรู้ว่าถ้ารถขาดน้ํามันต่า ง, างๆรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้นั่นเองเจตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าขาดศรัทธาขาดวิริยะความภาคเพียร ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาจิตใจก็จะไม่สามารถละการกระทำบาปต่างๆได้ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ไม่สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าจิตใจได้มีการเติมศรัทธามีการเติม วิริยะความขยันหมั่นเพียรเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญาอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะมีพลังที่จะละการกระทำบาปสร้างบุญสร้างกุศลและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดวันเติมน้ำมันให้กับชาวพุทธเรา ท่านเรียกว่าวันพระวันพระก็หมายถึงวันหยุดทำงานของญาติโยมนั่นเองเพราะถ้าวันที่ญาติโยมไปทำงานก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดเพื่อมาเติมน้ำมันได้เหมือนกับรถยนต์ก็ต้องมีเวลาจอดมีเวลาหยุดถ้ารถยนต์วิ่งตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะหยุดเติมน้ำมันได้ ก็ต้องมีเวลาหยุดกันช่วงไหนที่ไม่ต้องขับรถไปไหนมาไหนก็จอดรถที่สถานีบริการเติมน้ำมันต่างๆให้พร้อมก่อนแล้วพอเติมเสร็จแล้วทีนี้จะไปไหนมาไหนก็ไปได้อย่างสะดวกสบาย <c oughs> ฉันใดจิตใจของพวกเราก็ต้องมีการเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เติมศรัทธาเติมวิริยะ ความเพียรเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญาด้วยการมาวัดนี่แหละราว่านี้แหละเป็นที่มีน้ำมันทั้งห้าชนิดนี้ให้เราได้เติมกันน้ำมันชนิดที่หนึ่งที่เรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเือเหล่านี้ต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปรู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้อยู่กับใจของพวกเราไปตลอดคือต้องเชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริง เป็นผู้วิเศษจริงเป็นผู้ที่ค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากที่ได้ทร ง, ทรงค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และได้ปฏิบัติจน จ, นจิตโดยจนพระทัยของพระองค์นี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว พ่อองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้รู้วิธีปฏิบัติกันพวกที่ได้ยินได้ฟังด้วยศรัทธาความเชื่อในตัวพระพุทธเจ้าในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าสามารถที่จะสอนให้พวกเขานั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็นำเอาคำสอนไปปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างถาวรกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมากลายเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุว ธ, ธรรม อันประเสริฐแล้วทรงนำเอาธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะได้หลุดพ้นก็จะได้กลายเป็นพระอริยสงสารุกขขึ้นมาท่านทั้งสามนี้ เป็นผู้ที่รู้ทางสู่การลุกพ้นพระพุทธเจ้าเองพระธรรมคำสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในข้อตายปิดกและพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ที่แท้จริงที่จะสามารถนำเอามาดับความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือบุคคลที่พวกเราต้องมีความเชื่อมั่นและต้องเข้าหานับถือเป็นครูบาอาจารย์การเชื่อพระรัตนใจหรือการถือพระรัตนใจเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนี้หมายถึงเป็นครูบาอาจารย์ พวกเรานี่เป็นเหมือนเด็กนักเรียนยังไม่มีวิชาความรู้เราก็ต้องไปโรงเรียนเป็นเรียนไปเอาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เรียนมาก่อนเราแล้วเอาความรู้ที่ท่านได้เรียนมานี้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราอีกทอดนึ่งเราถึงจะได้มีความรู้เราจึงมีศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนด้วย ถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่ไปเรียนกันถ้าไม่เชื่อว่าครูสามารถธอให้วิชาความรู้ที่เราต้องการได้เรียนแล้วไม่ได้วิชาความรู้เราก็ไม่ไปเรียนดีกว่าไปเราเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปเปล่าๆฉั <S <S 1> <S 1> นใดเราก็ต้องเชื่อว่าผู้ที่จะให้ความรู้ในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้มีเพียงสามองค์นี้เท่านั้น คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะรู้วิธีการดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและผู้ที่จะสามารถสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมัน่นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องศึกษา จากพระรัตนตรัยองค์ใดองค์หนึ่งหรือสองหรือสามองค์ก็ได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าของพวกเราท่านได้จากพวกเราไปแล้วแต่ท่านได้ฝากพระธรรมคาสอนไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำที่เราได้ประกาศได้สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้จะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไป <Yeah. S 2> พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศ จ, จากพระพุทธเจ้า yeah. พระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปศึกษากับใครดีไม่รู้ว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนดีก็ไปหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าก่อนคือไปหาพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนีค้คือคำพีที่บรรจุคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไว มีมากมากยกายกองถึง 84,000 สี่พันบทด้วยกันแต่เราไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนหมดทั้ง8 4ด0 0สี่พันธรรมบทเพียงแต่เรียนเพียงไม่กี่บทก็พอที่จะพาให้เราปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นได้เช่นศึกษาพระสูตรสำคัญเช่นพระธรรมจกกักรกปวัตนสูตร อันนี้เป็นพ ร, พระสูตรอันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในวันอาสาบูชาวันวันเพ็ญเดือนแปดที่ผ่านมาเป็นการวางรากฐานของการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นคือการแสดงทางสู่การหลุดพ้นคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง มีมากเป็นองแปดนะเช่นมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปความคิดที่ถูกต้องสัมมากมัมมโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องอสัมมาวายามะ ความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องส ม, มาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องส ม, มาส ม, มาธิการตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องแล ะ, ะนี่คือมรรคที่มีองคศาทางสู่การหลุดพ้นเครื่องมือที่จะพาให้จิตใจหลุดพ้นมีอยู่แปดข้อด้วยกันทรงแสดงไว้ใน ในธรรมจักรกับประวัตนาสูตรพระสูตรที่ทรงสแสดงครั้งแรกว่านี่คือทางที่จะพาให้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนถ้าเดินไปในทางนี้แล้วทรงสแสดงอริยสัจสี่ที่เป็นหัวใจของการตัดสุขของพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าความทุกข์ของใจนี้ เกิดเวลาที่มีการเกิดแก่เจ็บตายถ้าที่ไหนมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายที่นั่นจะต้องมีความทุกข์ใจและความทุกข์ใจที่เกิดนี้ก็เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกสามประการความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่าการมติหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าตราบใดเกิดความอยากขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นมาทันทีถ้าต้องการให้ความไม่สบายใจไม่เกิดไม่มีในใจก็จาเป็นที่จะต้อง หยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดเวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์ใจถ้าหยุดความอยากไม่แก่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์ใจถ้าหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาจะตายจะไม่ทุกข์ใจถ้าหยุดความอยากไม่ตายได้การที่จะหยุด ความอยากเหล่านี้เพือหยุดความทุกข์นี้ก็ต้องอาศัยมรรคที่มีองค์แปนี้คือการปฏิบัติมรรคแปดข้อนี้อันนี้คือหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงไว้ในธรรมจักกะวัฒนสูตรพระสูตรนี้ถือว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะหยุดพ้นจากความทุกข์ ต้องศึกษาให้เข้าใจให้ได้เมื mm ่อ hmm. หลังจากที่ทรงสแสดงอันนี้แล้วท่า น, นก็ทรงสแสดงพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเรียกว่าอนัตตลักษณสูตรอันนี้ทรงสแสดงสูตรเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้อง mm hmm. เพื่อที่จะได้ทําลายความทุกข์ที่เกิดจากความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบคือสรงสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ที่เราสัมผัสรับรู้อยู่นี้ล้วนเป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นธรรมชาติที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ และธาตุรู้คือใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้เป็นความเข้าใจผิดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเราก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวร่างกายตายไปแล้วเราตายไปกับร่างกายหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เราอยู่ที่ใจแล้วใจก็ไม่ใช่เราเอีก ใจเกิดจากเราเกิดจากความหลงของใจคิดขึ้นมาเท่านั้นเองว่าเป็นเราถ้าเราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่ได้ยึดถือไม่ยึดติดไม่มีความอยากให้เขาดีหรือเขาอยู่กับเราไปตลอดพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความหลง แต่ไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็จะรักจะหวงพออะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีสังเกตดูอของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราทุกข์ไหมบ้านของคนอื่นเราทุกข์ไหมเวลาบ้านคนอื่นน้ำท่วมไฟไหมไม่ทุกข์แต่ถ้าเป็นบ้านของเรานี่ น้ำรั่วหน่อยเท่านั้นก็ทุกข์แล้วไม่ต้องถึงกับไฟไหม้ด้วยน้ําท่วมเพียงแต่ฝนตกลงมาหลังคาลุ่มขึ้นมาก็ทุกข์แล้ว mm hmm. เพราะเราอยากจะให้มันดี mm hmm. อยากจะให้มันไม่มีปัญหากับเรานั่นเอง mm hmm. นี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์ก็จากความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราว่าเป็นเรา เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสุขเพราะเราไปคิดว่ามันเที่ยงเราได้อะไรมาแล้วเรามักจะคิดว่ามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พอวันใดมันเปลี่ยนไปมันจากเราไปมันไม่เที่ยงขึ้นมาตอนนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันที อันนี้ก็เป็นพระสูตรสําคัญอีกพระสูตรหนึ่งคือพระอนัอนตตะลักกนสูตรที่เราควรจะศึกษากันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้วพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่สัมพันธ์ก็คือสติปัฏฐานสูตรเพราะสติปัฏฐานสูตรนี้จะสอนวิธีให้เราได้เจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ สัมมาทิฏฐินั่นเองสามข้อสามอย่างทำสามอย่างที่สำคัญต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เราจะเรียนได้จากการศึกษาสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสี่ตอนต้นจะสอนให้เจริญสติให้หยุดความคิดต่างๆแล้วก็สอนให้นั่งสมาธิด้วยการใช้สติที่ได้เจริญมาดูลมหายใจยเข้าออก เรียกว่าอาณาปานาสติถ้ามีสติดูลมหายใจเข้าออกหยุดความคิดต่างๆได้จิตก็จะเข้าสู่สัมมาสมาธิเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิได้แนี่ก็คือพะสูุที่สำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรจะศึกษากันแล้วมีอีพะสูุหนึ่งที่สำคัญก็คือ มงคลละสูตรมงคลสามสิบดข้อด้วยกันอันนี้จะสรุปวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเราให้ถูกต้องสามสิบแปดอย่างด้วยกันเริ่มต้นด้วยการรู้จักคนดีคนไม่ดีว่าเป็นอย่างไรคนฉลาดคนโง่เป็นอย่างไร <S <S เพื่อที่จะได้เลือกคบคนได้เลือกคบคนดีไม่คบคนไม่ดีคบคนฉลาดไม่คบคนโง่อ อันนี้มีสามสิบแปดข้อโดยการวิธีที่จะทำให้การดาเนินชีวิตของเรานี้เป็นมงคลเป็นการดับความทุกข์เป็นการละความละบาปเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์รวมกันอยู่ในมงคลสามสิบแปดข้ อ, น, อนี่คืออาจารย์ของพวกเรา ที่พวกเราชาวพุทธนี้ควรที่จะศึกษากันไม่มากหรอกมีพรกส่วนอยู่สี่ห้าข้อนี้เท่านั้นเองที่เราควรจะเรียนรู้กัน <Yeah. S 1> แล้วต่อไปเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์เราจะได้รู้ว่าท่านรู้จริงหรือไม่ <Yeah. S 1> ท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่เรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราไปเรียนจากครูบาอาจารย์รูป <Yeah. S 1> อื่น เราอาจจะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่ถูกท่านอาจจะไม่มีเจตนาที่จะมาหลอกเราหรอกแต่ท่านคิดว่าท่านทำถูกสอนถูกท่านก็จะสอนไปตามความคิดของท่านซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน เราไปศึกษากับท่านเราก็จะไม่รู้ว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆนี่ขัดกับคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ mm hmm. เราก็จะทาตามที่เขาสอนแล้วก็อาจจะทาผิดแ mm hmm. ทนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กลับยังติดอยู่กับความทุกข์อยู่ mm hmm. นี่ ดังในฐางน้ชาวพุทธเหล่านี้เราควรที่จะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้ยังมีอยู่คือพระสูตรที่สาคัญเหล่านี้สีห้าพระสูตรก็พอมีคนเคยถามว่าจะต้องเรียนอภิธรรมหรือไม่ไม่ต้องเรียนหรอกอภิธรรมมันก็เป็น ทำเหมือนกันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจัดเป็นหมวดเป็นหมู่โดยที่ไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับทิ่ในพระสูตรในพระสูตรนี้จะมีเล่าเหตุการณ์ว่าเป็นวันเวลาเท่าไหร่อ ย, อยู่ที่ไหนสแสดงทำให้กับใครฟังส่วนพระอภิธรรมนี้จะคัดเอาแต่หวัวเอาแต่ตัวธรรมมาสแสดงอย่างเดียว เช่นมรรคดอริ 8, <Yeah. S 1> ยสัจสี่ไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นสติปัฏฐานส <Yeah. S 1> ี่ฉังนั้นจะศึกษาจากพระอภิธรรมก็ได้จะศึกษาจากพระสูตรก็ได้ <Yeah. S 1> เหมือนกัน <Yeah. S 1> แล้วแต่ความพอใจความชอบใจ yeah. <Yeah. S 1> แต่ไม่ว่าจะศึกษาในทางไหนก็ตามเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องสามารถนำอาอกไปปฏิบัติได้ yeah. เพราะถ้าศึกษาอย่างเดียวแล้วยังไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีเหมือนกับการดูแผนที่ที่จะพาให้เราไปสูงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันดูแผนที่เสร็จแล้วแต่ไม่ออกเดินทางก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่ดูแผนที่แล้วออกเดินทางเลยก็อาจจะหลงทางได้ถ้าเราไม่เคยไปมาก่อนยิงน่งต้องมีทั้งสองอย่าง ต้องดูแผนที่ก่อนเมื่อดูแผนที่เสร็จดูแล้วว่าจะต้องไป ท, ทิศทางไหนเราก็ค่อยออกเดินทางไปกันพอออกเดินทางไปเดี๋ยวเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกับการศึกษาถ้าเบื้องต้นไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติเลยก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกก็จะหลงทางจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง อยากไดได้ศึกษาก็จะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรจะต้องปฏิบัติขั้นไหนก่อนถึงจะไปสู่อีกขั้นหนึ่งได้อันนี้ศึกษาเสร็จแล้วทีนี้ก็เริ่มปฏิบัติกันพอเริ่มปฏิบัติก็เท่ากับออกเดินทางกันละเดินทางบนมรรคแปดเดินทางไปสู่มิมุติ<ม>การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คื อ, อความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เบื้องต้นให้เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้ฝากคําสอนไว้ในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้ศึกษาเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้ว่าท่านอายุไม่อยู่ได้เป็นตลอด พออายุแปดสิบปีท่านก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะจากโลกนี้ไปนี่ท่านทิ้งคำสอนไว้เยอะแยะเลย8ปด0มื่นสี่พันธรรมบทด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันวันละสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายก็สอนธรรมะให้แก่ศรัทธายาณโยอย่างพวกเรานีตอนค่ำก็สอนให้กับนักบวชคือภิกษุภิกษุณี ยามดึกก็สอนพวกเทวดาแล้วยามเช้าก่อนที่จะออกบินธบาตก็ทรงเรีนยานามดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษดูว่าคนไหนมีความพร้อมที่จะรับธรรมได้และบรรลุธรรมได้ในวันนั้นก็จะมุ่งไปสอนคนนั้นเป็นกรณีพิเศษไป แล้วทุกครั้งที่ทรงแสดงธรรมก็จะมีผู้จดจํากันไว้มีพระติดตามจะเอามาท่องมาจำกันมาสวดกันที่บทสวดต่างๆของพระที่สวดกันนี้ก็คือพระสูตรต่างๆนี่เอง <Yeah. S 1> พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> สมัยก่อนไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีการเขียนได้อ่านออกเขียนได้กันวิธีที่จะเรียนรู้ก็ต้องอาศัยการจดจำ จดจำก็ต้องมาท่องกันอยู่เรื่อยๆถึงจะจำได้เหมือนสมัยก่อนนี้เราไม่มีเครื่องคิดเลขเรื่องคณิตศาสตร์นี่เราต้องมาท่องสูตรคูณกันสองคูนสองเป็นสี่สองคูนสี่เป็นแปดท่องไปท่องไปท่องไปแล้วมันก็จำได้แล้วพอเราจะคิดเลขคูณหารเราก็ใช้สูตรคูณนี้ก็มันก็จำได้ก็สามารถทำได้ แต่ยุคนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะเพราะยุคนี้มีเครื่องเครื่องมาจดจําแทน mm. เครื่องคิดเลข mm. อยากจะคูณอยากจะหารก็กดเข้าไปในเครื่อง mm. เด็กสมัยนี้ไม่รู้จำสูตรคูณกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ mm. อันนี้ก็แม้แต่วันที่ก็จําไม่ไดนะ้สมัยนี้นาฬิกามันมีบอกโทรศัพท์มือถือมันมีบอกทุกวัน วันไหนทุกวันที่มีเด็กใส่บาทนี่เราจะถามมัน้วยวันนี้วันอะไรมันนั่งเคสตอนวันจันทร์ที่มีพอเราถามมันทุกวันมันก็เลยต้องไปเตรียมจดจากันไว้ทุกเช้าเวลาเด็กใส่บาทนี่เด็กที่ใส่ประจานี่เราจะแกล้งถามว่าวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรขึ้นเรืกี่ขั้ง ถามเด็กเด็กมันก็เลยต้องไปทำการบ้านกันจะ ไ, ได้จดจำจะได้รู้กันว่าวันนี้วันอะไรไม่งนั้นสมัยนี้มันไม่ต้องใช้ความจำกันมันอาศัยความรู้ที่อยู่ภายนอกซึ่งบางทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้แต่ถ้าเราเก็บไว้ในใจนี้มันเราเข้าถึงได้ตลอดเวลา <S S <ม>เรามีของดีแต่เรากำลังจะทิ้งมันคือความจำเนี่ยเราจะไม่หัดจดจำกันลนะ ขี้เกียจจดจำกันถ้าไม่จดจำความรู้ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนี้เดี๋ยวก็หายไปหมดอย่างวันนี้ญาติโยมฟังธรรมวันนี้ถ้าญาติโยมไม่เอาไปจดไปจำเดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ววันสองวันถ้าถามว่าวันนี้ได้ฟังธรรมอะไรบ้างจำได้บ้างหรือเปล่าจำไม่ได้เลยดันะยงนั้นการฟังธรรมนี้ เป็นการเจริญปัญญาระดับแรกเรียกว่าสุดตะเมยากปัญญาความรู้ระดับแรกเกิดจากการได้ยินได้ฟังสุดตะฟังพุทสูตรต่างๆนี่การได้ฟังพระสูตรต่างๆเราก็จะได้ปัญญาความรู้วันนี้ได้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือใครเป็นต้นแล้วน้ามันของจิตใจคืออะไรเป็นต้นพอเราได้ยินได้ฟังแล้ว ถ้าเราไม่อยากให้ความรู้นี้หายไปเราก็ต้องเอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆไปทำการบ้านแม้โรงเรียนเขายังมีการบ้านให้เด็กทำใช่สอนวิธีบวกบวกลบคูณหารให้เด็กแล้วพอกลับบ้านก็มีการบ้านให้ไปทาด้วยไปทำบวกลบคูณหารที่บ้านอีกทีนึงเพื่อจะได้ไม่ลืมแล้วพอพรุ่งนี้ก็จะได้เอาการบ้านส่งครู คูจะได้รู้ว่าอเด็กคนนี้จําได้แล้วเป็นต้นอันนี้ทางทางธรรมก็เหมือนกันการที่จะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนี้ก็ต้องอาศัยขั้นแรกได้การศึกษาจากผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือศึกษาจากพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์นี่พอเราได้ความรู้จากพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์มาแล้วเราก็ต้องเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามา ทบทวนว่าวันนี้เราได้ยินได้ฟังอะไรบ้างน้ามันห้าชนิดมีอะไรบ้างศรัทธาเกิดขึ้นได้อย่างไรจะต้องไปเชื่ออะไรศรัทธาคือความเชื่อเชื่ออะไรต่างๆเหล่ า, านี้เราต้องเอาไปทบทวนต่อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำงานอย่างอื่นไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันก็จะมากบมันมา ความรู้ต่างๆที่เราได้ได้ยินได้ฟังในแต่ละชั่วโมงนี้มันจะถูกความรู้ใหม่มาคอยกบอยู่นื่ๆอย่างถ้าเราอยากให้ความรู้ที่ดีไม่ถูกกบเราก็ต้องยกมันขึ้นมาใหม่ต้องเอามาคิดใหม่เอามาทำให้มันเป็นปัจจุบันใหม่อย่าให้มันปล่อยให้มันไปเป็นอดีตไปถ้าเป็นอดีตความรู้ในปัจจุบันที่เรารับรู้กันมันก็จะมากบเดี๋ยวไม่ ก, กี่ชั่วโมงเราก็ลืมไปเลย ลมไปหมดเลยว่าวันนี้เราได้มาเรียนอะไรบ้างได้มาได้ยินได้ฟังอะไรบ้างงั<ม>้นเราต้องไปพัฒนาความรู้จากขั้นที่หนึ่งไปสู่ความรู้ขั้นที่สองที่เรียกว่าจินตามายปัญญา<ม>ความรู้ที่เกิดจากการค่ควรทบทวนความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมามถึงจะสามารถรักษาความรู้นี้ไว้ในใจของเราได้ รบทวนไปท่องไปได้ยิ่งดีท่องไปจะท่งจำได้เลยว่าวันนี้คว่าข้อสำคัญมีอะไรบ้างออมีน้ำมันห้าชนิดศรัทธาออสติสมาธิปัญญาวิริยะศรัทธาคืออะไรศรัทธาในอะไรพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ออต่างๆอานนี้เราต้องเอามาจดเอามาจำกันท่องจำกันออไว้ แล้วไม่ลืมพระสูตรที่สำคัญมีอะไรบ้างควรที่จะศึกษาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อพอรู้แล้วว่าพระสูตรเหล่านี้มีความสำคัญข้อต่อไปก็ต้องไปเปิดดูพระสูตรกันสมัยนี้ง่ายมาก ม, มีอยู่ในมือถือแล้วนะเพียงแต่ใส่ข้อความเข้าไปหรือบางเครื่องเพียงแต่พูดมันก็หาให้เราได้ใช้ภาษาบอกอาธรรมจักให้หน่อยซิธรรมจักกับปวัตนาสูตร มันก็จะค้นหาให้เราทันทีห <c oughs> าสติปัฏฐานสูตร <Yeah. S 2> มันก็หาให้เราได้ทันทีเพราะฉะนั้นขั้นต่อไป <Yeah. S 2> คือเราต้องคอยทบทวนความรู้ที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม <c oughs> อันนี้เรียกว่าจินตามัยจปัญญาเ <Yeah. S 2> มื่อได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วขั้นต่อไปเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเอง เอาไปปฏิบัติเจริญสติให้มีสติขึ้นมาไปฝึกนั่งสมาธิให้เกิดสมาธิขึ้นมามแล้วก็เอาปัญญาที่เราได้ทบทวนนี้เอามาใช้กับการฆ่ากิเลสต่อไป<ม>เวลาที่เรามีความทุกข์ปั๊บนี้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธไม่ใช่หรอก กิเลสในในตัวในใจของเรานี่แหละที่ทำให้เราทุกข์กันพออยากได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาไม่ได้เกิดเพราะคนนั้นเอาสิ่งที่เรารักจากเราไปเ <Yeah. S 2> กิดจากความรักความผูกของเราในสิ่งที่จากเราไปต่างหาก <c oughs> ถ้าเราตัดความอยากในสิ่งที่เรารัก ได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เสียใจจะตัดได้เราก็ต้องมีกำลังเพราะถึงแม้รู้ว่าเราไม่ควรไปรักไปยึดไปติดกับสิ่งที่เรารักเราชอบแต่เราก็อดไม่ได้กิเลสนั้นไม่ยอมให้เราปล่อยวางแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิได้มีอัปปนาสมาธิมีอุบเบกขาเราก็จะปล่อยวางได้พอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากความอยากของเราเราก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปนี่ก็คือเรื่องของอความศรัทธาข้อแรกที่เราจะต้องมีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วงใดเวลาใดที่เรามีความอ่อนกาลังไม่มีความสนใจที่อยากจะละบาป อยากจะทำความดีอยากจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระอริยสงสาวกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรท่านหลุดพ้นเพราะความท้อแท้เบื่อหน่ายหลุดพ้นเพราะความเกียดข้าหรือท่านหลุดพ้นด้วยความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติ เหตุที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นโดยการปฏิบัติมรรคแปดเ <c oughs> มื่อเรามาลึกลึกถึงพระพุทธเจ้ามาลึกระลึกถึงพระอริยสงสารแกระลึกถึงวิธีการปฏิบัติของท่าน <c oughs> มันก็จะปลุกให้เราเกิดวิริยะขึ้นมาเกิดความภาคเพียรขึ้นมาตอนตอน้นการเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายขี้เกียจไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยาก ฟังเทศฟังธรรมไม่อยากรักษาศีลเป็นต้นพอเรามาราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระอริยสงสาวว่าท่านประเสริฐได้อย่างไรท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรท่านไปถึงนิพพานได้อย่างไรมันก็จะทําให้เราเห็นว่าท่านไปได้ด้วยความความเพียรพยายามความต่อสู้ความไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายเป็นต้นน มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อไปถ้าต้องรักษาศีลก็รักษาไปรักษาศีลห้าได้ก็พยายามรักษาศีลแปดไปรักษาได้แล้วก็พยายามรักษาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยลงมารักษาศีลแปดแล้วก็ถอยลงมารักษาศีลห้ารักษาศีลห้าแล้วก็ถอยลงมารักษาศีลสี่ ค่อลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเดินถอยหลัง <c oughs> ถ้าเดินถอยหลังมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปกันถ้าต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องเดินไปข้างหน้าเดินจากการไม่มีศีลไปสู่การมีศีลจากไม่มีศีลเลยก็มีศีลข้อ1ข้อก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นสองข้อเพิ่มเป็นสามข้อเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ห้าข้อ ได้ห้าข้อแล้วก็พยายามรักษาให้ได้ทุกวันรักษาได้ทุกวันแล้วทีนี้วันหยุดทํางานวันพระหรือวันพระวันว่างที่เราจะมาเติมน้ํามันเราก็มาเพิ่มจากศีห้ามาเป็นศีแปดเพราะการที่จะมาเติมน้ํามันของสติสมาธิหรือปัญญานี้จําเป็นที่จะต้องมีสีสีแปดขึ้นไปถึงจะมี กำลังที่จะเติมน้ำมันคือสติน้ำมันคือสมาธิแล้น้ำมันคือปัญญาได้เพะั้น <Yeah. S 1> <And, S 1> พอเรามีวันหยุด <Yeah. S 1> เราก็มาเข้าวัดเพื่อมาเติมน้ำมันสำคัญ <Yeah. S 1> ฟังเทศฟังธรรมก็จะทำให้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเ <Yeah. S 1> มื่อได้เราละเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> ละเลิกถึงความประเสริฐ <Yeah. S 1> ละเลิกถึงเหตุที่ทาให้ท่านทั้งหลายประเสริฐมันก็จะทาให้เราอยากจะ เป็นเหมือนท่านมันก็จะทำให้เรามีความอยากที่จะปฏิบัติอยากที่จะทำความภาคเพียรเราก็จะมาตั้งใจรักษาศีลแปดกันแล้วก็มาตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเดินจงกรมเพื่อเจริญสติก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่มีสตินั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่เรื่อยๆ นั่งไปแล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นม า, างั้นถ้านั่งแล้วใจไม่ยังหยุดคิดไม่ได้ก็อย่าพิ่งนั่งหรือถ้านั่งก็ใหอ้อย่าพุ่งดูลมหายใจให้ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปบทไหนก็ได้สวดพระสูตรที่เราเรียนมาก็ได้พระสูตรเช่นมงคลพระสูตรถ้าเราท่องจําได้เราก็ใช้การสวดมงคลพระสูตรหรือธรรมจักรกับประวัตนาสูตร สวดไปเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วยถ้าเราไม่เข้าใจภาษาบาลีก็สวดเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะภาษาไทยเราจะได้เข้าใจความหมายของพระสตดถ้าเราสวดภาษาบาลีเราจะไม่ได้ความหมายเราจะได้เพียงแต่การสวดที่จะทำให้เรามีสติเะานั้นแต่ถ้าเราสวดเป็นภาษาไทยได้ เราจะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาด้วยเพราะเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรเราต้องปฏิบัติอะไรกันนั่นเองดังนั้นเบื้องต้นต้องพยายามมั่นเจริญสติก่อนถึงค่อยมานั่งสมาธิได้การเจริญสตินี้เจริญได้ในทุกิริยาบุไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เจริญได้ ไว้มีการสวดพุโทโธไปบริกรรมพุทธโธไปสวดมนต์ไปสวดพระสูตรไปก่อนเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองใจของเรานี้ชอบคิดชอบไปอดีตชอบไปอนาคตชอบไปที่ใกล้ไปที่ไกลไม่เคยอยู่กับปัจจุบันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวใจจึงไม่นิ่งไม่สงบใจจะนิ่งจะสงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบัน อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็รู้เฉยๆไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเราจึงต้องอาศัยวิธีการาต่างๆเช่นการสวดมนต์เช่นการสวรดท ส, สูตรเช่นการเดินจงกรมเช่นการบริกรรมพุทโธใบก่อนเพื่อดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้หยุดคิดถึงอดีตอนาคตแล้วพอใจอยู่ปัจจุบันแล้วเราก็มานั่งสมาธิได้ เวลานั่งสมาธิจะไม่รู้สึกอึดอัดถ้าใจยังไม่มีไม่อยู่ในปัจจุบันมันยังอยากไปอปดีตไปอนาคตยังอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอให้นั่งดูลมมันจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาบางคนก็บอกแน่นหน้าอกบางทีก็แน่นจมูก <c oughs> มีปัญหาต่างๆขึ้นมาทันทีอันนี้เกิดจากจิตที่ยังไม่มีสติพอที่จะอยู่ในปัจจุบัน พอถูกบังคับให้อยู่ในปัจจุบันมันก็เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นถ้ายังมีอาการอยู่เราก็อย่าเพิ่งดูลมสวดไปก่อนพุทโธไปก่อนก็ได้จนกว่าเราจะรู้สึกว่าเบาลงแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทีนี้ก็มาดูลมต่อต้องดูลมจิตถจนจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่หรือถ้าใช้พุทโธก็ได้ ใช้พุทธโธอย่างเดียวไม่ดูลมก็ได้หรือบางคนจะผสมกันก็ได้ดูลมไปแล้วก็ว่าพุทธโธไปด้วยก็ได้เช่นบางคนก็บอกหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้อันนี้ไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องทำเหมือนกันทุกคนบางคนไม่ชอบดูลมชอบพุทโธอย่างเดียวก็พุทโธไปเลยให้รู้อยู่กับพุทโธไปบางคนไม่ชอบพุทโธอยากจะดูลมก็ให้ดูลมอย่างเดียวไป ให้ดูลมที่ปลายจมูกแล้วก็ไม่ต้องตามเข้าตามออกให้รู้เฉยๆรู้ว่ากำลังเข้ารู้ว่ากำลังออกบางคนก็ชอบดูลมด้วยแล้วก็ชอบให้มีพุทธโธมากำกับอีกข้อหนึ่งก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทเดือหายใจเข้าก็ว่าพุทธโธหายใจออกก็ว่าพุทธโธไปก็ได้ <Yeah. S 1> มีหลากหลายวิธีด้วยกันบางท่านก็ใช้การนับก็มี หายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับสอง<ม>พอถึงสิบก็นับถอยหลังกลับสิบแล้วก็นับเก้าแปดเพราะการนับมันก็จะบังคับให้ใจจดจ่อมากขึ้นเพราะบางทีดูลมเฉยๆแล้วใจยังลอยไปคิดถึงเรื่องเรื่องอื่นได้แต่พอต้องคอยนับมันก็เลยต้องคอยรู้ว่าตอนนี้ถึงนับถึงถึงเมื่อไหร่แล้วถึงเท่าไหร่แล้วถึงแปดแล้วถึงเจ็ดแล้วถึงหกแล้ว แต่บางทีขนาดนับไปยังในหนงเลย เ, เมื่อกี้เท่าไหร่เลยวะก็ต้องเริ่มต้นใหม่แสดงว่าสติขาดตอนถ้าสติขาดตอนก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่การจะเข้าสมาธิก็ยังไปไม่ถึงไหนต้องให้มันไม่ขาดตอนให้มันไปนับหนึ่งถึงสิบแล้วกลับจากสิบมาถึงหนึ่งใหม่ได้ยังไม่ขาดตอน ถ้าไม่ขาดตอนนี้มันก็จะสงบเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งได้นี่คือวิธีการปฏิบัติมาเติมน้ำมันคือสติกับสมาธิก่อนเบื้องต้นนี้เราต้องเติมสติกับสมาธิเพราะว่าปัญญานี้เราก็ได้เติมจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วจากการที่เอาไปทำการบ้าน จดจำธรรมที่เราได้ฟังไม่ให้หลงไม่ให้ลืม <Yeah. S 1> ที่เรามีปัญญาแล้วแต่เรายังขาดสมาธิอยู่ขาดอุเบกขา <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าจิตไม่มีอุเบกขาจิตจะไม่สามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ดะงนั้นจึงต้องมาเจริญสติมาเจริญสมาธิก่อนด้วยความขยันหมั่นเพียรความเพียรพยายาม <Yeah. S 1> ต้องมีความเพียรมากในการปฏิบัติ สติกับสมาธิผู้ที่เพียรมากๆนี้จะเพียรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนเลยพุโทโธก่อนเลยรือสวดมนต์ไปก่อนเลยหรือคอยเฝ้าดูร่างกายผูกใจให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็รู้อยู่ว่ากำลังทำอะไร ให้ทําอย่างนี้ไปก่อนนี่เรียกว่าความเพียรแบบกล้าทําเพียรแบบเต็มร้อยนี้ต้องทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่นับหนึ่งเลยพอตื่นขึ้นมานี่เรียกว่านับหนึ่งนะอย่าปล่อยให้เวลานี้หลุดไปด้วยการไม่เจริญสติพยายามฝึกสติให้มากแล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็จะได้นั่งสมาธิได้ถ้าเรามีสติเรานั่งสมาธิไม่นาน ถ้าสติต่อเนื่องห้านาทีนี้จิตก็เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาได้ทีนี้เราก็ต้องทําบ่อยๆทํามากๆให้จิตสงบมากๆสงบบ่อยๆเพื่อให้มีอุเบกขามากๆอุเบกขาบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้ใช้อุเบกขานี่ไปสนับสนุนปัญญาที่จะมาสอนใจให้ หยุดความอยากต่างๆเวลาเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาลัาคนยาก็จะบอกว่าตอนนี้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากได้นูน่นอยากได้นี่ใจก็จะไม่สงบนะใจจะกระเพื่อมพออยากจะดื่มเครื่องดื่มนี้ใจก็จะกังวลกังวายขึ้นมาแล้วพออยากจะกินขนมอยากจะดูอยากจะฟังอะไร ถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนิจจันก็จะเริ่มเกิดอาการกรวนกวายเกิดอาการหุดหงิดขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะระ ง, งับความหมุดหงิดให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องระ ง, งับความอยากนี่เองอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นต่างๆถ้าไประ ง, งับด้วยการไปทําตามความอยากมันก็ระ ง, งับได้ชั่วทาวเช่น อ, อยากอยากดื่มอะไร พอเราอยากพอได้ดื่มปั๊บความกระวนก歪กระสับกระส่ายก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีก่ถ้าเราไม่อยากให้ความอยากมันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากนอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มหยุดมันด้วยสติใช้หยุดความอยากด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดถึงกาแฟคิดถึงเครื่องดื่ม พอเราไม่คิดถึ ง, งเครื่องดืม่มความอยากดืม่มมันก็จะหายไปถ้า ห, หยุดแบบนี้ดีกว่าถ้าหยุดแบบนี้แล้วมันจะหยุดอย่างถาวรมันจะไม่กลับมาอีกแต่ถ้าหยุดด้วยการทำตามความอยากเดี๋ยวมันกลับมาใหม่อยากจะดื่มกาแฟก็ไปหากาแฟมาดืม่มพอได้ดืม่มความหงุดหงดก็หายไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งลดฤทธิ์ของกาแฟหมดไปจากร่างกายความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก มันก็จะโผลมาเรื่อยๆจะต้องดื่มไปจนวันตายถ้าเราไม่หยุดความอยากดื่มกาแฟแล้วมันก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นโทษของการดื่มกาแฟว่ามันทำให้ใจเราหงุดหงิดทำให้ใจเราไม่สบายแล้วถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกาแฟเราก็จะเดือดร้อนคนที่เขาไม่อยากกาแฟเขาไม่เดือดร้อนแต่เราอยากกาแฟเราจะเดือดร้อนอันนี้ยกตัวอย่างของความทุกข์เล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ ความทุกข์ใหญ่ๆมีมากกว่านี้ของอย่างอื่นที่มันมีทุกข์มากกว่าเช่นอยากกับคนนั้นคนนี้อยากมีแฟนอย่างนี้ก็ทุกข์เวลาไม่มีแฟนก็หนาวเศร้าพอได้แฟนมาก็ดีใจเดี๋ยวพอแฟนจากไปก็เศร้าอาีกยังต้องหยุดความอยากมีแฟนโดยอ อ, อ, อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทําให้เราเศร้าได้ พอเห็นผมเหง่หน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเห็นหนังเหี่ยวหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วพอมีอาการไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้ว <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเหมือนกัน <Okay. S 1> ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้เราจะไม่รู้สึกทุกเวลาร่างกายมันแก่หยุดความอยากไม่ ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน่อยให้ร่างกายเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องหายไม่หายเป็นก็หายตายมันต้องหายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ช้าก็เร็วแต่ใจเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าเรามีปัญญาถ้าเรามีอุเบกขาคือสมาธิถ้าเรามีแต่ปัญญา รู้ว่าเกิดจากความอยากแต่ไม่มีอุเบกขาก็หยุดมันไม่ได้เราต้องมาสร้างอุเบกขาเพื่อหยุดใจให้ได้ก่อนหยุดใจหยุดกิเลสกิเลสมันอยู่กับใจถ้าใจหยุดกิเลสมันก็ต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดมันกิเลสก็ทำงานได้ังนั้นต้องหยุดใจให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาแล้วก็เอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาใช้ให้เราพิจารณาว่า ของทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเราจะไปสั่งให้มันดีอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้พอมันเปลี่ยนไปเราจะได้ไม่ทุกข์ถ้าเราอยากให้มันดีพอมันไม่ดีเราก็จะทุกข์เราอยากให้มันไม่เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้เราทุกข์อันนี้คือปัญญา ต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราครอบครองที่เราให้ความสุขกับเรานี้มันจะเปลี่ยนมันจะหมดมีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียให้คิดอย่างนี้มันไม่เที่ยวต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้เกิดเพราะมันต้องเกิดไม่ชาา้าก็เร็วเมืมันเกิดถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เกิดเราจะไม่ทุกข์กับมัน นี่คือวิธีการดับความทุกข์ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่เราจะมาเติมกันในวันหยุดทำงานของเราเพราะว่าเราต้องเอาวันหยุดทำงานอย่าไปถือวันพระเพราะวันพระนี้สมัยนี้มันไม่ใช่เป็นวันหยุดทำงานแล้วต้องถือวันหยุดทำงานคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระของพวกเราแล้วเราจะได้มาเติมกาลังให้กับจิตใจาศรัทธา เติมวิริยะความขยันหมั่นเพียรเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญาด้วยการไปวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติเนี่ยถ้าไปวัดที่ไม่มีเช่นไปวัดที่มีงานศพก็จะไปแต่นั่งดูเขาสวดศพเผาศพกันไปวัดที่มีพิธีกรรมยกฉัดยกเจดีย์ยกช่ออะไรต่างๆก็จะไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติเลย ก็จะไม่มีการเติมน้ํามันเหมือนกับไปปั๊มน้ํามันที่ไม่มีน้ํามันขายเข้าไปก็เสียเวลาเปล่าๆงั้นอย่าไปวัดที่ไม่มีการศึกษาการปฏิบัติถ้าอยากจะเติมพลังให้กับจิตใจ<ม>ต้องไปวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เติมศรัทธาเติมสติเติมวิริยะเติมสมาธิเติมปัญญาพอมีการเติมน้ํามันจิตใจยอยู่เรื่อยๆ จ, จิตใจเราก็จะเจริญก้าวหน้าในทางของมรรคแปดไปเรื่อยๆเจ้าในที่สุดก็จะไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ปฏิบัติมาแล้วคือพระอริยสงสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนท่านก็เป็นปุตุชนธรรมดาเหมือนพวกเราอยู่แต่พอมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนํานําออกไปปฏิบัติ สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาด้วยวิริยะด้วยศรัทธาจิตของท่านก็เดินไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จิตของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธามีวิริยะพยายามหมั่นสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอน <c oughs> ดังนั้นขอให้เราพยายามแวะเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อยๆ ถ้าขาดน้ำมันแล้วเดี๋ยวจิตใจจะไปไม่ถึงไหนเหมือนรถยนต์ถ้าไม่เติมน้ำมันเติมน้ำต่างๆอยู่เรียๆเดี๋ยวรถก็ต้องเสียสตาร์ทก็จะไม่ติดวิ่งก็ไม่ได้ก็จะไม่สามารถไปไหนมาได้ได้ต่อไปนี่คือเรื่องของการมาเติมพลังให้กับจิตใจที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ราสุยาธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพปรโควินาสตุมาเตภวตวันตาายโยสุขิตายุโกภวะติวาฏนสีนิสะนิจจาวุฒาปจายโนจตารธรรมาวัตันติอายุวันสุขัง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 งันอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านอยู่เท่าไหร่ Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต445 a c e บ o o k พอจอ์สุชาติ45ยอดรวมเ c e b o o k 490ย t u b บ226วิทยุออนไลน์16 o ูม10ผู้รับฟังหน้าคุติ102รวมทั้งหมด844คะ่ะ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามแรกค่ะจากผู้ม่ประสงค์ออกนามค่ะพ่อแม่หนูพระอาจารย์หายหวัดเร็วมากค่ะพ่อแม่หนูเป็นที่เป็นเดือนพระอาจารย์รักษาอย่างไรคะธรรมโอสถไงสติปัญญาเนี่ยสองตัวเนี่ยยารักษาโรคที่ดีที่สุดทำใจให้สงบ พ, พักผ่อนไม่ต้องทำอะไรนอนเฉย <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวก็หายร่างกายยด้มีเวลาพักผ่อนเนี่ย ใจก็ได้ภาพใจก็สงบไม่ไปรบกวนทางร้านร่างกายไม่ต้องกินยาไม่ได้กินยาอย่างเดียวคือยาแก้น้ำมูกไหลเท่านั้นเท่านั้นยาแก้ค่ายแก้ปวดไม่ต้องกินยาข่าชม้มข้าเชื้อก็ไม่ได้กินเ้าให้มาครบชุดอแต่เราไม่ได้กินะเรากินตอนที่มีน้ำมูกไหลแลเรากินยาแก้แพ้แค่วันสองวันเท่านั้นพอไม่มีน้ำมูกไหลแล้วก็ไว้ให้มันหายของมันเองก็ ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรใจไม่เดือดร้อนแล้วก็อยู่กับมันได้คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะหนูได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเมื่อมีปัจจัยภายนอกกระทบหรือสภาวะใดาก็ตามที่เกิดขึ้นภายในใจให้กำหนดรู้แล้วปล่อยวางทันทีไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานเราเท่านั้นทำไมถึงคุณปฏิบัติตามนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรคะ อ้าก็จะได้ไม่ทุกข์ไงถ้าเราไม่ไปปล่อยวางถ้าเราไม่ไปแบกมันเราก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เราไปแบกมันการแบกของใจก็คือไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้ใจทุกข์เห็นไหมบางทีเราไปไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ถึงเวลามันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปใจเราก็เฉยๆเป็นอุเบกขาไปอ ไม่ตอบโตไม่มีความอยากที่จะยา้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็ไม่ทุกข์ใจก็จะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามถึงขั้นตายก็อยู่กับมันได้ในเมื่อเราห้ามมันไม่ให้มันตายไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงก็ต้องปล่อยให้มันตายไปแล้วมันเจ็บเราก็ไปห้ามมันไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ก็ปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์เองนะโรคอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็หมด มันก็อย่างที่บอกหายแบบสองแบบสองอย่างหายหายเป็นหรือหายตายมันก็ต้องหายอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนคาถามที่สองจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะวันนี้มีพระที่รู้จักกันเมตตาสอนหนูว่าควรหยุดคิดเพราะหนูเป็นคนที่คิดตลอดหยุดคิดไม่ได้ควรทวนกระแสว่าลองไม่คิดแล้วจะเป็นยังไงหนูจะทำยังไงให้หยุดคิดได้ค่ะ ก็ต้องคิดพุทโธไงท่องพุทโธพุทโธไปขยันพุทโธพุทโธเวลามันคิดแล้วก็ใช้พุทโธแข่งกับมันไปมันจะคิดตรงนั้นอย่างนี้แล้วก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ถ้าเราเบื่อคําพุทโธมันสั้นไปก็สวดอิติปิโสไปอิติปิโสภะกวาละหังสัมมาสัมพุทโธสวดไปหลายๆรอบหลายๆจบด้วยกันจนกว่ามันจะไม่คิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเพราะมันคิดไม่ได้เพราะใจมันคิดได้ทีละเรื่อง จะคิดสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้ถ้าถ้ามันสวดมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่ตอนต้นมันวิ่งไปวิ่งมาได้อยู่สวดไปมันก็วิ่งไปคิดด้วยก็ต้องกลับมาสวดต่อแต่ถ้าเราพยายามสวดไปเรื่อยๆ<ม>ให้อยู่กับการสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปไม่ได้พอมันไม่ไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปคํำถามจากคุณแนทค่ะขอโอกาสพระอาจารย์เมตตา ช่วยอธิบายภาวะเบื่อหน่ายต่อวัตฏะสงสารทําไมเราจะสามารถทราบว่ามันมาจากผลของการปฏิบัติไม่ได้มาจากการปรุงแต่งไปเองการเบื่อหน่ายต่อวัตฏะสงสารจะมีความทุกข์ปนอยู่ไหมครับมันก็เวลาเบื่อหน่ายมันก็เห็นว่ามันน่าเบื่อสิว่าอย่ า, ายงไรง <laughs> ถ้ามันถ้ามันน่าเบื่อมันก็มันก็ไม่อยากจะได้ แต่มันยังไม่น่าเบื่ออยู่มันก็ยังอยากจะได้อยู่งั้นขอให้มันเบื่อจริงๆอ่ะเบื่อแล้วคือไม่ไม่เอาละเบื่อโลกเบื่อทางโลกไปบวชนี้ก็เบื่ออที่มันเบื่อแบบชั่วคราวสิโก้ปัญหาพอเบื่อโลกก็ไปบวชพอไปบวชได้สักพักก็เบื่อเบื่อเบื่อการบวชอีกอยากจะกลับไปทางโลกอีก อันนี้เรียกว่าชายสามโบยเข้าาออกๆเวลาอยู่ทางโลกก็เบื่อเวลาเข้าทางธรรมก็เบื่อเข้าไปได้สักพักก็เบื่ออีกอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่หนักแน่นถ้าเบื่อแล้วต้องเด็ดขาดเบื่อแล้วจะจดจามันไว้ปัญหาคือเราชอบลืมเวลาทุกนี้มอนเบื่ออยากจะหนีมันพอห น, นีจากมันไปสักพักลืมซะแล้วว่ามันทุกข์ อยากจะกลับไปหามันอีกอันนี้ต้องต้องให้มีความจำดีจำความทุกข์ที่เราได้จากสิ่งต่างๆแล้วต่อไปมันเวลาคิดถึงมันจะได้คิดกลับไปหาความทุกข์นะถ้ะากลับไปหาความทุกข์ไม่กลับดีกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการศึกษาพรมวิหารธรรมเพื่อจะอบรมใจตนค่ะ อ่าพรมวิหารก็คือเมตตากรุณามุดิตาอุบเบกขาที่จะเป็นธรรมที่คุ้มครองใจของเราให้มีความสุขไม่มีความทุกข์นั่นเองแล้วเราก็ต้องมาศึกษาวิธีเจริญเมตตาหรือวิธีใช้เมตตาใช้อย่างไรท่า น, นก็สอนไว้ว่ามีอยู่สี่วิธีด้วยกันสัพเพสัตตาเวลาหงตุโ คือให้เราให้ความเมตตาต่อทุกคนทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานหรือกายทิพย์ทั้งหลายเวลาเราพบปะกันเวลามีปัญหากันให้อภัยกันอย่าจองเวรจองกรรมกันเรียกว่าอาเวลาโหนตุเวลาเราไปมีเรื่องอะไรกับใครก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไปผ่านไปไหวมันไป อย่าไปมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นสางกันอันนี้เรียกว่าอาเวลาหนุนจุถ้าอยากจะมีความเมตตาคือไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับใครนั่นเองเพราะการมีเรื่องมีราวเป็นการก่อเวรก่อกรรมที่จะทําให้ต้องคอยมาล้างแค้นกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีเวเรทําไม่ก่อเวรเขาก็จะไม่มามีเวรมีกรรมกับเรา อันนี้ข้อหนึ่งของความเมตตาข้อสองก็คืออานิคอานิะอัปยาปชาโหตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันทำอะไรอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเียกว่าไม่เบียดเบียนกันทำอะไรก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นขับรถไปปาดหน้าเขาอย่างนี้ ทำให้เขาโกรธขึ้นมาเกิดความเสียความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ควรทำอย่าไปทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขามีความไม่สบายใจข้อที่สามก็เนี่ยอนิคารโหตุอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้โดยการกระทำของเราข้อที่สี่คือสุ ข, ขีอัตานังปริหัลันตุแปลว่าให้ความสุขแก่ผู้ วิธีให้ความสุขกับผู้อื่นก็ให้ของที่เขาชอบเลสิเราให้เงินเขาดูเสิดูวขาจะชอบไหมพอให้เงินเขาเขาก็มีความสุขขึ้นมาเขาก็มีความสุขเขาก็จะรักเราชอบเราเขาก็จะไม่เกลียดเรา อ, เอันนี้คือวิธีสร้างเมตตาไม่ใช่สวด น, นะสวด น, นี้เป็นการเป็นการสอนเป็นการเรียนแต่การแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบกันเจอกันเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ต้องแผ่เมตตาด้วยความเหมาะสมวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญไปให้เขาให้เขามีความสุขหรือไม่ใช่วันเกิดเรามีถูกลอตเตอรี่อยากจะแบ่งเงินให้คนนั้นคนนี้ก็เอาไปแจกเขาก็ได้พอซื้อของไปแจกเขาหรือเอาเงินไปแจกกันเขาก็ดีใจมีความสุขกันอันนี้เรียกว่าเมตตาถ้าทะเลาะกันก็ให้อภัยกันเลิกเลิกทะเลาะกันก็เรียกว่าแเมตตาเหมือนกัน ส่วนข้อที่สองที่เรียกว่าการุณาก็คือการช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์เห็นใครเ็าตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนมีเงินเหลือใช้เหลือกินเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรตายไปก็เอาอไปไม่ได้ก็เอามาเจริญความการุณาช่วยเหลือกัน เขา อ, อข้าอด อ, อาหารก็หาข้าวอาหารอาหารให้เขากินไปอันเรียกว่าความกรุณาความดีสามุทิตาก็คือให้มีความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้เวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีอย่าไปช้าหรือเสยอย่าไปเสียใจเพราะเราไม่ได้ดีได้ดีเหมือนเขาเราก็ต้องคิดว่าเป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขา เขาทำอะไรไว้เขาก็ได้รับผลนั้นเขาได้ดีได้ดีเราก็อย่าไปขัดขวางก็ส่งเสริมยินดีกับเขาเราจะได้ไม่มีปัญหากับเขาเขาก็จะได้ไม่มาโกรธเราเกลียดเราเราก็จะได้ไม่โกรธเกลียดเขาก็จะเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเรามีมุติตาคนบางคนเป็นเพื่อนกันดีๆอยู่แล้วอยู่ดีๆเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ดีได้ดีกว่าตัวเองบางทีก็โกรธเพื่อนขึ้นมา ไปโกรธเขาทำไมเขาได้ดีได้ดีเราไม่ได้ดีได้ดีเราเสียใจน้อยใจแล้วก็ไปโกรธเขาการเป็นเพื่อนก็หายไปการเป็นศัตรตูกันขึ้นมาได้แต่ถ้ามีมุติตาก็จะไม่มีไ ม, ไม่ไม่เป็นศัตรตูจะเป็นเพื่อนกันต่อไปเออพะเพื่อนเราได้ดีได้ดีก็เราดีใจไปกับเพื่อนสิแสดงความยินดีกับเขาไปแล้วข้อสุดท้ายก็คือเบขาคือการทาใจให้วางเฉย ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แผ่นเมตตาก็ไม่ได้การุณาก็ไม่ได้ใช้มุนิตาก็ไม่ได้ก็ต้องใช้อุบเบกขาเช่นคนจะตายอย่างนี้แผ่นเมตตาก็ไม่หายตายการุณาหาหมอหายามารักษาก็ไม่ยอมหายตายจะตายลูกเดียวก็ต้องทำใจเฉยๆปล่อยให้เขาตายไป ไปร้องห่มร้องไหไ้ไปเศาโศกเสียใจไปเครียดก็ไม่ทำให้เขาไม่ตายทำให้เราทุกข์ไ ป, ป, ป <oui. S 1> เปล่าๆก็ต้องรู้จักวางเฉยบ้างเมื่อถึงเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับว่ามันเป็นกรรมของเขาเขาถึงเวลาที่จะต้องรับผลของกรรมของเขาไม่มีใครมาห้ามได้มาช่วยเขาได้ ก็ต้องฝ่อยให้เป็นไปตามตามเวรตามกรรมไปตามบุญตามกรรมไปนี่คือพรมวิหารจีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามจเจริญกันเพราะจะช่วยทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรามีความสุขมีสมาธิมีสติข่อต่อไปข้อต่อไปค่ะจากคุณเคเคบุค่ะผมเป็นโรคร้ายอยู่ได้อีกไม่นานควรจะทำตัวอย่างไรครับ ก็หัดตายก่อนตายสิเตรียมตัวตายก่อนตายก็คือ<ม>ยุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ<ม>แล้วก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาเป็นวิธีปฏิบัติธรรมแทนหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาแทน<ม><ม>แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา พอร่างกายตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์กันเพราะว่าเรายังต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพอเราใช้มันไม่ได้เราก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้หาความสุขจากการมาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบได้จเจริญสติสมาธิปัญญาได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน เราก็จะตายอย่างสบายตายอย่างมีความสุขเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องอาศัยความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปคําถามจากคุณพง์ประพัฒนค่ะพระอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์ปฏิบัติพระอาจารย์ใช้ดูลมหรือพุทโธอย่างเดียวหรือลมเข้าพุทโธออกครับ เ, เวลาเจริญสติแล้วก็ดูร่างกายเปน็นหลัก ดูการเคลื่อนไหวการกระทาอะไรต่างๆไม่ว่าจะยกแขนขึ้นหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวานี่ต้องมีสติรู้อยู่ทุกขณะเลยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเดินไปซ้ายขวาเท้าเหยียบซ้ายเหยียบขวาไปนี่ต้องให้รู้อยู่ทุกขณะใช้กายะกะตาสติเป็นการเจริญสติเป็นส่วนใหญ่ เวลานั่งก็ใช้อานาปนานสติดูลมหายใจเข้าออถ้าเกิดเวทนาขึ้นมายูลลมไม่ได้ก็ใช้กรรมบริกรรมพุทโธไปแต่เราใช้กรรมบริกรรมอ น, นิจจังไปอ น, นิจจังอ น, นิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปมันก็ทำให้ใจเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บพอไม่คิดถึงความเจ็บความอยากให้หายเจ็บมันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดใจก็ไม่เครียดใจก็สงบ ใจก็อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้นั่งต่อไปได้เพราะมีอุเบกขามีความสมงบคำถามฝากถามค่ะหนูมีความทุกข์ใจมากเพราะผู้ใหญ่บอกให้หนูรักเทิดทูนสถาปนพระมหากษัตริย์ห้ามคิดอย่างอื่นเนื่องจากในหลวงราชการที่9เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าไม่เคารพจะบาปตกนรกชวนตัวหนูไม่ได้รู้สึกรักหรือไม่รัก แะรู้สึกไม่ได้เทิดทูนสถาบันตามที่ผู้ใหญ่บังคับพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องนี้ได้ไหมคะว่าหนูทําหรือรู้สึกผิดหรือไม่อย่างไรคะคือาที่เราไม่รู้ก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบรรันกษัตริย์ก็ได้เราก็เลยไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ที่สถาบรรันกษัตริย์ได้ทํามาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ผลที่พวกเราอยู่กันได้มาทุกวันนี้ก็อยู่ที่สถาบันกษัตริย์นี้เพราะในสมัยก่อนเขาไม่มีเขไม่มีประชาธิปไตยเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนในการปกครองส่วนใหญ่เกือบทั่วโลกก็จะใช้สถาบันกษัตริย์เป็นการปกครองการดูแลรักษาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วถ้าเราศึกษาถึงประวัติของกษัตริย์แต่ละพระองค์ท่านก็มีความเสียสระ มีความความรู้ความสามารถท่านต้องทำสงครามเพื่อกู้ชาติก็มีพระในเรืวนต่างๆพระเจ้าตากศิลอะไรท่านก็ต้องทำสงครามท่านก็ต้องเอาชีวิตของท่านไปเสี่ยงเพื่อรักษาประเทศให้กับพวกเราให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายกันถ้าเราไม่ศึกษาถึงประวัติเหล่านี้เราก็จะไม่ทราบถึงความดีความประเสริฐของท่าน มันก็จะทําให้เรารู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาถึงประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าท่านวิเศษอย่างไรท่านก็เป็นคนมีอาการ32เหมือนเราเราก็อาจจะคิดว่าท่านกับเราก็เหมือนกันก็ได้มันก็จะทําให้เราไม่มีความรู้สึกที่จะมีความเคารพทักถือท่านหรือมีความรู้สึกความกตันยูกะตะเวทีว่า ท่านได้เสียสละไ ด, ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำให้ประเทศชาติของเราอยู่กันอย่างสงบมาจนถึงบัดนี้ได้ทำให้เราได้อยู่กินอยู่อย่างสุขสบายได้ไม่ต้องไประเหะเล่ยด่อนเหมือนประเทศบางประเทศบางประเทศนี่มีการข้าฟันกันมีสงครามกลางเมืองกันแล้วอยู่กันยังไงก็อยู่กันแบบแรนแค้นอยู่กันแบบหวาดกลัวกัน อันนี้ถ้าเราอยากจะรู้คุณค่าของไครเราก็ต้องไปศึกษาประวัติความเป็นมาของเขาเราถึงจะเข้าใจและเราก็อาจจะทำให้เราเกิดมีความรักเคารพในบุคคลนั้นก็ได้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องศึกษากันถึงจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาปั่นหัวเราเราก็จะ กลายเป็นเหยื่อของเขาได้เพราะว่าเขาอาจจะมีประโยชน์แอบแฝงอยู่ที่เราไม่รู้เขาเอาเอาประโยชน์ที่เราเห็นมาอ้างแต่ประโยชน์ที่เขาแอบแฝงนี่เราไม่เห็นกันเพราะพวกนี้หลังจากที่ทําลายล้างระบบเขาก็ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเขาก็มาเป็นระบบใหม่ขึ้นใหม่เขาก็มาเป็นกษัตริย์ใหม่ในรูปแบบใหม่ แคนั้นเองเพียงแต่เปลี่ยนชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยเรือสุดแล้วแต่เพราะว่าการปกครองมันจะต้องมีผู้นำมีระบบงั้นเขาก็พยายามที่จะแข่งแย่งชิงดีกันทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดยุคกษัตริย์ก็มีการแข่งแย่งชิงดีกันคนที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็อยากจะเป็นกษัตริย์กันนี่าันนเป็นเรื่องของ สิ่งที่เราไม่ควรจะไปเป็นเหยื่อของผู้ที่เขาปั่นมาหลอกลวงเราเราควรจะใช้สติใช้ปัญญาดูว่าการสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาตินี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ต้องดูตรงนั้นเป็นหลักเราก็พูดได้แค่นี้แหละไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าเรากลายเป็นนักการเมืองไปก็พูใดในหลักธรรมให้ฟังนั่นเอง คำถามจากคุณนภสัสค่ะถ้าเราไปเจอผัสสะที่มากระทบจะทําอย่างไรให้ดับได้เร็วคะ อ, อ๋อผัสสะมันเราไปบังคับให้มันดับไม่ได้หรอกนอกจากเราปิดทวารทั้งห้านั่นเองถ้าได้ยินเสียงไม่ดีอยากจะดับมันก็ปิดหูใช่อะไรมาอุดหูแต่ที่มันเข้ามาในใจมันไม่ดับเลยเพราะใจเรายังไปคิดถึงมันอยู่เ้าด่าเราตัง้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังนั่งคิดอยู่นั่นแหละเรียนวิธีที่จะดับ ไอ้ผัสสะที่มันเข้ามาในใจก็ต้องใช้สตินะพอมันคิดถึงผัสสะที่ทําให้เราเสียใจเราก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปกลบมันแม่มันไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เ, เขาด่าเราแต่เมื่อเช้านี่แนละ้วใจตอนบ่ายนี่ยังคิดถึงมันอยู่ยังวุ่นอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็ทําให้ไม่สบายใจขึ้นมาอพอเกิดผัสสะแบบนี้เกิดขึ้นภายในใจก็ต้องใช้สติ สติเป็นเหมือนยางลบเนะี่ยที่เราใช้ลบกระดานดำเนะี่ยเวลาที่เขียนหนังสืออาจารย์ครูสอนหนังสือเขียนอะไรบนกระดานดําก็มีที่ลบกระดานเนะี่ยเราลบความคิดออกไปใช้พุทโธพุทโธไปไอ้ความคิดที่เกี่ยวกับปัจจัที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็ถูกลบออกไปเห็นงสตินี้มีคุณประโยชน์มากลบสิ่งต่างๆเร饶ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้ พอรู้สึกทุกข์ขึ้นมาก็พูดโทรพูดโทไปสวดอิติปิโสไปเดี๋ยวเดียวมันก็ลืมละพอลืมแล้วความทุกข์ก็หายไปคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะผู้โดนลงโทษในนรกมีความรู้สึกเหมือนฝันไปไหมเจ้าคะเพราะเวลาเราฝันเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาโดนอาวุธทำร้ายในความฝันแต่ทำไมสัตว์นรกถึงดูเจ็บปวดคะ คนรู้ในงานคุณไม่เจ็บปวดเวลาคุณฝันร้ายเนี่ยมันจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเวลาเจอของจริงเลยเวลาคุณฝันร้ายจริงๆนี่มันมันมันสัตย์ไปทั่วใจเลยดังนั้นโลกของของกายทิพย์ทั้งหลายนี้ก็เป็นโลกของความฝัน น, นี่จะมีเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วใจมันจะอยู่ตามลําพังไม่มี ข้อมูลที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกนินก้วกือมันก็เลยเอาข้อมูลเก่าที่เราได้ทำไว้ตอนที่เรายังไม่ได้ตายคือกรรมต่างๆ ท, งทั้งบุญทั้งบาสมาผสมปรุงแต่งขึ้นมากลายเป็นความฝันต่างๆขึ้นมาถ้าทำบุญมันก็จะเอาแต่เรื่องดีๆมาผสมปรุงแต่งทำให้เกิดความสุขถ้าทำบาปมันก็จะเอาเรื่องที่ไม่ดีต่างๆมา ผสมปรุงแต่งทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจนั่นแหละคือโลกของกายทิปเป็นอย่างนี้โลกของกายทิปแบ่งไปสองฝ้าพวกที่ทําบาปก็เรียกว่าพวกอระบายพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกนี่ <c oughs> ก็จะมีแต่ฝันร้ายฝันแต่เรื่องไม่ไม่ดีพวกที่เป็นกายทิ่ที่ทําบุญก็จะเป็นพวกเทวดาพวกสวรรค์ก็จะฝันแต่เรื่องดีๆ ไปกินที่นั่นไปดูอันนั้นที่นี่ไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่อยู่กับแฟนคนนั่นอยู่กับแฟนคน น, น, น, นี้มีความสุขตลอดเวลาเรียกว่าสวรรค์คําถามฝากถามจากคุณข้าวหวานค่ะปกตินั่งสมาธิจะปวดขามากแต่เมื่อคืนกําหนดพุดโทโธไปเรื่อยรู้สึกตัวเบาเหมือนไม่มีตนไม่เจ็บไม่ปวดขาไม่รู้สึก ก็กำหนดพุทโธต่อไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องทำพุทโธไปแล้วก็อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะถ้าไปสนใจมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นมันจะไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวมันจะตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะนิ่งจะสงบยิ่งมีความสุขมากอาการบางทีร่างกายก็จะหายไปเลยอาการเจ็บปวดต่างๆที่มีในร่างกายก็จะหายไป ไม่รับรู้งั้นเวลานั่งไปแล้วใช้พุโทโธแล้วมันยังมีเกิดอาการอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอยู่กับพุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธเราจะได้ไปลึกกว่านั้นได้ความสงบมากกว่านั้นได้ความสุขมากกว่านั้นคำถามจากคุณทัศนาค่ะได้ยินคำสอนของพระบางรูปว่าแม้เราผิดศีล แต่ขณะเวลาจะตายมีคนสวดปฏิจจสมุทบาทให้ฟังเราจะไม่ลงอบายอันนี้จริงไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่สวดไม่สวด น, นะมันอยู่ที่บุญกับบาปว่าไหนมีมากกว่ากันนะถ้าทาบาปมามากกว่าการตายมาเพระเจ้าเจ้ามาสวดให้มันก็มันก็มันก็ไปอบายอยู่ดีเพราะผู้ที่ยัดดึงใจไปอบายก็คือบาปผู้ที่ยัดึงใจไปสวรรค์ก็คือบุญ แค่เวลาตายนี้บุญกับบาสมันจะมาแย่งใจว่าใครมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกําลังมากกว่าไม่มีใครมายับยั้งได้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็มายับยั้งไม่ได้นะถ้ามีบุญก็เช่นเดียวกันแค่จะมาห้ามไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับบุญกับบาสที่เราทําในขณะที่เรายังไม่ตายงั้นอย่าประมาทริ่มทาบุญให้มากลดการกระทาบาปให้น้อยลงเพื่อเวลาที่ตาย กำลังของบาปมันจะได้น้อยกว่ากำลังของบุญนะแล้วเราไม่ต้องไปนิมนต์พ้มาสวดดีทีพิโสสวดปฏิจจาให้เราฟังหรอก ถ, ถ้าทำได้ก็ดีเลยรอวันตายแล้วนิจจองภาพไว้ก่อนเลยหงพี่เดี๋ยวมาช่วยเจอเขาจะให้ส่งผมไปเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็มเวลา แข็งแรงก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปลักขโมยไปประพฤติผิดประเพณีกันแล้วเวลาตายก็ไป น, นิม น, มนต์มาสวดปฏิจจะแล้วจะได้ไม่ไปอาบายนี่เป็นไปไม่ได้หรอกคําถามจากคุณสธิธรค่ะป่วยรักษาไม่หายจะทําใจให้สงบอย่างไรดีคะก็ปล่อยวางความป่วยไปปล่อยมันป่วยไปเมื่อมันไม่หายก็ต้องหยุหัดอยู่กับมันถ้าถ้าอยู่กับมันได้ก็สงบเหมือนคนที่เราไม่ชอบที่ต้องอยู่กับเขานะี่ย ถ้าไม่ชอบแล้วไม่ยอมรับเขาก็อยู่ด้วยกันไม่มีความสุข แ, แต่ถึงแม้ไม่ชอบแต่รู้ว่าต้องอยู่ด้วยกันก็หัดยอมรับว่าต้องอยู่ด้วยกันอย่าไปต่อต้านเขาหัดอยู่ด้วยกันยินดีต้อนรับเขาพอเรายินดีต้อนรับเขาแล้วความความรู้สึกไม่สบายใจก็จะหายไปก็อยู่ด้วยกันได้คำจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะโย ม, มีความทุกข์ เกิดจากแมวที่เลี้ยงป่วยเป็นมะเร็งอาการค่อนข้างหนกักหมอบอกให้ทาใจควรวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์พยายามคิดแบบที่พระอาจารย์ว่าทุกคนต้องพบกับความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดแม้กระทั่งตัวเราก็ายังวางอุเบกขาไม่ได้ถ้าเราต้องใจจริงๆ จ, จ, จะช่วยให้เขาไปเกิดในที่ที่ดีได้ไหมคะถ้าเขาต้องตายจริงๆค่ะ เ, ออเขาต้องไปตามบุญตามบาปที่เขาทาไว้ เขาอาจจะหมดหมดบาปก็ได้จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เราควรจะดีใจว่าเออมึงตายแล้วมึงจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สักทีบาปของมึงที่ทำมาหมดแล้วมันก็คิดอย่างนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาดีกาเหนียวล้างให้เขาเป็นแมวเขาจะได้ไปเป็นมนุษย์แล้วเมื่อถึงเวลาก็ให้เข้าไป คำถามฟากสามีคำถามค่ะสามีไปอยู่กินกับผู้หญิงคนอื่นนานแล้วแต่เขาไม่มาจดทะเบียนย่าให้ถ้าเราไปแต่งงานใหม่อยู่กินกับคนใหม่ทางที่ยังไม่ได้หย่าแบบนี้จะผิดศีลข้อสามไหมคะก็ต้องคุยกันก่อนอเพราะว่าสามีภรรยาก็เป็นเหมือนนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นผู้ร่วมทุนกันงนั้นถ้าจะ ถ้าเอาเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวมันเดี๋ยวก็ผิดกฎหมายได้เอเขาก็มาฟ้องร้องได้นีนก็ต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนอคนไปมีมีใหม่แล้วฉันไปมีผัวใหม่โอเคไหมก็คุยกันให้มันรู้เรืเอ่องรู้ราวถ้าถ้าตกลงกันได้ทางกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกเพราะถ้าตกลงกันได้ก็ไม่มีใครยกกฎหมายมาเป็นประเด็นใช่ไหมเนี่ยประเด็นอยู่ที่คนสองคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยว่า สามารถตกลงกันได้หรือเปล่าว่าจะทำไงกับชีวิตของตนต่อไปจะอยู่กันด้วยกันต่อไปหรือจะแยกทางกันถ้ายินดีแยกทางกันถึงแม้จะไม่มีเวลามาอย่าทางกฎหมายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทางศีลธรรมก็ไม่ถือว่าผิดแล้วเพราะถือว่าได้แยกออกจากกันแล้วไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วทุกคนคนทั้งคู่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปมีสามีมีภรรยาคนใหม่ต่อไปได้ คำถามจากคุณนา้เครื่องแก้วค่ะเวลาทําภาวนานั่งไปสักพักปวดเมื่อยขาแบบสุดยอดเลยเจ้าค่ะแบบพยายามไม่สนใจมันอยู่กับคําภาวนาแต่ความปวดเมื่อยนั้นมันมาแทรกทําอย่างไรดีเจ้าค่ะแก้อย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องพยายามสวดไปเรื่อยๆนะถ้าสวดไม่ไหวก็แสดงว่ากําลังสติเราน้อยเราก็ต้องเวลาเลิกนั่งสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสติใหม่ต่อพยายามสวดหัดสวดไว้ก่อนก่อนที่จะมา ใช้มันตอนที่เวลามันเจ็บนะถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันก็ใช้ไม่ได้สวดไม่ออกเนหะ็นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิข้าต่อไปก็พยายามสวดอยู่บ่อยๆสวดอยู่เรื่อยๆหรือพุโทโธอยู่บ่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆซ้อมไปก่อนพอเราขึ้นเวทีจริงเวลาเจ็บเวลาปวดขึ้นมาเราจะได้สวดไปได้เรื่อยๆถ้าเราสวดไปได้เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยว ใจเราก็จะสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บได้หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วก็พอดีใกล้จะหมดเวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ